เช้าๆนั่งสมาธิกันแป๊บหนึ่งั้ยสักสิบนาทีน ะ, ะทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออก ตั้งจิตอยู่กับลมหายใจถ้าจิตความรู้สึกของเราเลื่อนออกไปคิดไปนึกเรื่องอะไรก็ตามก็ให้พยายามละความเปลินแล้วกลับมาที่ลมหายใจเหมือนเดิมความตั้งใจให้ตั้งใจพอดีพอดีตั้งใจมากเกินไปก็ไม่ดีนะพระศาสด า, ศ า, ศ า, ศาเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือ บีแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือล้วตั้งใจพอดีพอดีปล่อยร่างกายเป็นธรรมชาติแค่เอาใจมารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออก ฟานสติอันบุคคลจเจริญให้มากกระทําให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอ น, นิสงส์ใหญ่ผลที่เขาหวังได้สองอย่างคือพละละระรหันต์หรือพระนาคามีในปัจจุบันนี้ พยายามหยุดจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตทำจิตตสังขารให้รำงับ ลอยลมหายใจเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปปรุงแต่งลมให้สั้นยาวเบาแรงยามปล่อยเป็นธรรมชาติแค่เอาใจมารู้สึกอยู่กับลมที่กำลังไหลเข้าไหลออก ลัทศาสดาบอกว่าเสียงเป็นอุปสรรคต่อฌานหนึ่งเสียงเป็นเส้นหนามต่อปฐมฌานวันนั้อย่าส่งจิตออกไปหาเสียงย า, ยามทำความรู้อยู่กับลมที่ไหลเข้าไหลออกเฉยๆถ้าเราไม่ลำคาญเสียงก็แสดงว่าจิตเริ่มมีความมั่นคงขึ้น พยายามักความเพลินในความคิดคิดเรื่องใดมาแล้วอย่าไปอยากรู้ต่อการคิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเรียกว่าจิตสร้างพบสร้างสถานที่เกิดมันจะนำไปสู่ชาติการเกิด และนำไปสู่ชลาและมรณะเราต้องการแก้ปัญหาความแก่ความตายต้องเข้าไปดับที่เหตุเมือ่อจิตสร้างพบคือสถานที่เกิดขึ้นมาต้องรีบละในทันที รัศดาบอกว่าการมีพบคือสสารที่เกิดแม้ชั่วลัดนิมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ ฝึกละความเพลินไปเรื่อยๆความสามารถในการละพบละชาติก็จะมีมากขึ้นจิตจะเพลินกับอารมณ์น้อยลงสั้นลงไปเรื่อยๆ ก็นอบจากสมาธิาแผ่เมตตาให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายให้แก่พรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายให้แก่มนุษย์ทั้งหลายสัตว์เวลาาืจอฉาน แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมด จากนั้นก็ค่อยๆออกจากสมาธิมา ทุกวันทุกวันเนาะจะได้มีกําลังกลับนบักการธ่านอาจารย์ก็ขออากาศถวายพระสูตรพระอาจารย์กับอขอที่ส่วนสนที่จัดจัด ก, ก, การถวายพระสูตนี้ให้กับทหารที่เสียชีวิตทั้ง14คนที่เนิชทั้งหมดนั้นเสียชีวิตทั้งหมดทั้งหมดเน่ยละก็ะถวายพระสูตเนื่องจากเมื่อวันสองที่แล้ว ถวายเรื่องการแบกของหนัก uh huh. วันนี้จะขอถวายพระสูตรดับตัญหา uh huh. คือการปรงภาลหนักลงได้ uh huh. ขอนอบนอบ้นอม uh huh. แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพิสูจทั้งหลายการปรงภาลหนักลงเสียได้เป็นอย่างไรเล่า พิสุจทั้งหลายความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นมั่นเทียวความละไปของตัณหานั้นความสลัดกลับคืนของตัณหานั้นความหลุดออกไปของตัณหานั้นและความไม่มีที่อยู่อาศัยอีกต่อไปของตัณหานั้นอันใดพิสูจทั้งหลาย นี้เราเรียกว่าการปรงพาระหนักลงเสียได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพุทธวัตนะนั้นเป็นคำร้อยกรองสืบต่อไปขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปการแบกถือของหนักเป็นทุกข์ในโลก การปลดภาระหนักลงจะได้เป็นความสุขพระอริยเจ้าลงภาระหนักลงเสร็แล้วกับย่อมไม่หยิบฉวยภาระหนัก อ, นอื่นขึ้นมาอีกเป็นผู้ย่อมถอนตัณหาขึ้นได้ทั้งล่างคืออวิชชาเป็นผู้ปลดสิ่งปรารถนาดับสิ้นโดยทุกส่วนดังนี้ กลับเรียนนักพัฒการพระอาจารย์ว่าพระสูตรนี้เป็นปฏิจจตังเวยอยู่แล้วเมื่อ <c oughs> ที่นานแล้วก็รู้ได้ทันทีมไม่ต้องอธิบายหรือว่าเพิ่มเติมอะไรน้ำมุนนะ่ะมีพระสูตรไหมมีค่ ะ, อะขอสักพระสูตรหนึ่งนะอนาตามรอยทําค่ะน่าสามสิบสองค่ะสามสิบสอง <c oughs> เร่งอะไรนะสามิสองไม่ได้ประพฤติปรมมาจันเพื่อให้เขานับถือเนาะ <c oughs> เพื่อการหลุดพ้นภิกสุทั้งหลาย <c oughs> ปรมมาจย์นี้เรารประพฤติมีใช่เพื่อหลอกลวงคนให้นับถือ มีใช่เพื่อเรียกคนมาเป็นบริวารมีใช่เพื่ออานิสงเป็นลาบสักการะและเสียงสรรเสริญมีใช่เพื่ออานิสงจะได้เป็นเจ้าลัทธิหรือขานเจ้าลัทธิหรือเพื่อขานลทัทธิอื่นใดให้ล้มลงไปและมีใช่ เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาไม่ได้ภิกษุทั้งหลายที่แท้พรหมจรรย์ น, นี้เราบารืดเพื่อสำรวมเพื่อละเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสนทซึ่งทูกแลพระอาจารย์คะ พรมาจารย์คืออะไรล่ะคะแล้วขานแล้วลทัทธิคืออะไรแล้วลัทธิคืออะไรอ๋อพรมอจารย์เนี่ยพระศาสดาบอกว่าพรมอาจารย์ น, นี้คืออริยมรรคมีองค์แปดมรรคมีองค์แปดเนี่ยคือพรมอาจารย์นะะได้อย่างหนึ่งแล้วนะมรรคแปดทานวุ้นก็จาได้แล้วเนาะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาคัมมันตาสัมมาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนาะส่วนคาว่าลัทธิก็หมายถึง <c oughs> เป็นเจ้าลัทธิเป็นลัทธิคือความเชื่อความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่คนคนหนึ่งเนี่ยประกาศออกมานะตามความเห็นของตนนะทนี้แต่ละคนเนี่ยในครั้งก่อนเนี่ยก็จะมีมีความเห็นกันทั้งนั้น เราทุกคนก็คิดว่าความเห็นของตนเองเนี่ยเป็นวิธีที่ถูกต้องนะทุกคนก็ประกาศความหลุดพ้นว่าหลุดพ้นจากความตายต้องทำอย่างนี้นะดีที่สุดในชีวิตเกิดมาเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำที่สุดดีที่สุดในชีวิตทุกคนก็จะประกาศของตนเองแต่ว่าของใครเนี่ยจริงนะของใครไม่จริง พระองค์ก็เห <c oughs> มือนบอกพระ อ, องค์ไม่ได้ต้องการเป็นเจ้าลัทธินะไม่ได้ต้องการเป็นเจ้าสํานักอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> แต่ต้องการเพื่อ <c oughs> เพื่อการหลุดพ้นนะเพราะนั้นพอมาดูเจตนาลมของพระศาสด า, า, า, าเนี่ยก็ชัดเจนมากแล้วก็ไม่ได้ต้องการจะไปเป็นศัตรูกับใครนะไม่ต้องการจะไปล้มหรือค้านลัทธิอื่นอื่นใดให้ล้มลงไป แต่ต้องการประกาศความจริงเท่านั้นว่าความจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้เพ่งพิสูจน์ความจริงอย่างนี้ไม่ได้ต้องการลาบสาระเป็นอ น, นิสงส์นะซึ่งจริงๆตัวลาบสาระพระศาสดา บ, บอกว่าเป็นอันตรายที่ทารุนแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอย่างนีนะ้ก็มีแต่บอกให้พิสูตเนี่ยหรือผู้ที่จะพึ่ง ประพฤติเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยระมัดระวังนะเพราะว่าถ้าเราไปเพลิดเพลินต่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเหตุให้เราเนี่ยเท่ากับว่ายังยึดติดสิ่งที่มีอยู่ในโลกอยู่นะก็จะหลุดพ้นไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะมิใช่เพื่อหลอกลวงให้คนมานับถือน ะ, อะก็สะแสดงว่า พระองค์เนี่ยจะพูดเรื่องจริงน ะ, ะไม่ได้เรียกคนเพื่อมาเป็นบริวารไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นแต่ใครที่เห็นประโยชน์นะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยจะทำอะไรดีนะอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดของการเกิดมาผู้เจ้าบอกการรู้อริสสัตตะนั้นภูมิความรู้ในโลกก็มีเยอะแย ะ, ะเกิดมาต้องเรียนนี่เรียนวิศวะเรียนหมอเรียน เศรษฐศาสตร์เรียนลัทศาสตร์แต่ก็เป็นแค่ความรู้ที่ทำให้เลี้ยงชีวิตเราไปวันๆหนึ่งแต่หลังจากหมดการงานอาชีพหรือว่าใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยเราเราจะทาอย่างไรมีอะไรเป็นที่พึ่งหรือยังหนทางไปเป็นอย่างไรพุทธเจ้าก็จะอธิบายระบบชีวิตทั้งหมดว่า ระบบชีวิตเนี่ยมันมีการเวียนเกิดเวียนตายนะมันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่เรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องกั้นมันนะและมีความพอใจความอยากเนี่ยเป็นเครื่องผูกติดให้เรายึดติดอยู่ในภพ <c oughs> เราก็เลยมายึดติดว่าจิตเป็นเราวิญญาณเป็นเรานะลูกเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาสังขารความจำความคิดปรุงแต่งเป็นเรา ทั้งที่ธรรมชาติเหล่านี้มันมีความเกิดและมีความดับเป็นธรรมดาของมันเหมือนกับต้นไม้อากาศน้ํามันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรธรรมธาตุเหล่านี้พระุทธเจ้าบอกว่าธรรมธาตุเหล่านี้ย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมด า, า, าคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจยัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพระองค์เรียกมันว่าเป็นมันเป็นธรรมธาตุเฉยมันไม่ใช่ตัวเราของเรา แต่ณวันนี้เรากำลังยึดสิ่งที่เป็นา่าตามธรรมช า, ชาติมาเป็นตัวเราของเราความทุกข์เลยเกิดขึ้นทุกเพราะการแปลปวนของรูปทุกเพราะการแปลปวนของอารมณ์นะทุกเพราะการแปลปวนของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณนะพอรูปแปลปวนเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะรูปเราเป็นอะไรร่างกายเราป่วยร่างกายเราเจ็บก็ไม่สบายใจขึ้น มีความกังวลขึ้นทุกเพราะการที่จะดับไปของรูปเอ๊ะรูปกำลังจะตายทำยังไงดี น, ะ, นะก็เป็นห่วงนั่นเป็นห่วงนี่นะการแปลเปลี่ยนไปแปลปวนไปของรูปสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับเราเพราะความเข้าใจผิดที่ไปยึดว่ารูปนี้เป็นเรานั้นพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งจริงๆพวกเราทุกคนเนี่ยมี วิมุติอยู่แล้วในตัวนะ <c oughs> มีสภาวะธรรมอันไม่ตายเนี่ยกันอยู่แล้วทุกคนเพียงแต่มีอวิชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นเราให้เราเนี่ยไม่สามารถกลับเข้าไปสู่สภาวะเดิมของเราได้นั้นเพียงแต่ทําวิชาให้เกิดขึ้นด้วยมัสมีองค์8ฝึกกายวาจาจิตตามมัสมีองค์8วิชาจะเกิดขึ้นอวิชาจะจางคลายไป เมื่อวิชาเกิดขึ้นแล้ววิชาจางคลายดับไปหมดแล้วผู้หลงเนี่ยผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นเนี่ยก็คือตัวเดิมนี่แหละแต่จะถูกเรียกใหม่ว่าวิมุตติยาณทัทสนะวิมุตติยานแล้วก็ทัศนะนะก็คือผู้รู้ในบิมุติผู้นี้จะเป็นผู้ที่หายหลงแล้วนะเป็นผู้ฉลาดแล้วฉลาดคือรู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าธรรมชาติเนี่ย มันเป็นธรรมชาติเท่านั้นมันไม่ใช่ตัวเราของเราจริงๆชีวิตเราเนี่ยก็คือสภาวะของนิพพานคือสุญญาตานะรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างรู้อยู่ทุกอนูของธรรมชาตินะแล้วก็ไม่ตายด้วยนะคุณสมบัติของธรรมชาตินี้พู้เจ้าตรัสว่าณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดณวโยปัญญาจติไม่ปรากฏมีการเสื่อม นัตถิตัสะอัญยัตตังปัญญาญติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือธรรมชาตินี้คงตัวอยู่ตลอดกาลพระองค์จึงให้สังเกตธรรมชาติที่ไม่คงตัวนะว่าธรรมชาติใดไม่คงตัวมีการแปรเปลี่ยนนั่นแหละธรรมชาตินั้นไม่ใช่ตัวเราของเรานะระบบของสังคตะธรรมทั้งหมดนะขันห้าปรมาโลกเทวโลกมนุษยโลกนระกกำหนดเรชานเปรตวิสัยพวกนี้ไม่คงตัว พรจาอธิบายพบภูมิต่างๆไว้เนี่ยไม่ได้ให้เราเนี่ยไปกลาบไหว้อ้อนวอนนะไปกลัวนะบอกเปรตวิสัยสันนรก็ไปกลัวนะเรียกกันว่าเป็นผีบ้างเป็นวิญญาณบ้างอะไรบ้างพอบอกเทวดามีก็ไปอ้อนวอนเทวดาบูชาเทวดาอย่างนี้นะจริงๆแล้วพบภูมิเหล่านี้ล้วนเป็นสัตว์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งสิ้นนะ คุทเจ้าบอกว่าคำว่าสัตสัตวะมีคนถามว่ามีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหรพระตถาคตบอกว่าผู้ที่ยังติดข้องอยู่ในขันห้าเนี่ยถูกเรียกว่าสัตนะก็คือยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัตพวกนี้พรหมเทวดาเมื่อสิ้นอายุขายแล้วก็ไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกำเนดเดชานหรือเปรตวิสัยนะแต่พระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ย นะสามารถพ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตินรกกํนะาเิเดยชานเปรตวิสัยนี่ท่านพ้นแล้วนะเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการตรัสลูพร้อมในเบื้องหน้านะพระโสดาบันก็เกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติจะได้เป็นพระราหารันะคือจิตจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏนะนั้นพระราษีบุคลเนี่ยย่อมที่จะประเสริฐกว่าพรหมและเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงความเป็นอริยะได้ความเป็นอริยะก็คือรู้หนทางรู้วิธีที่จะพ้นจากความตายนะว่าไม่ต้องตายอีกต่อไปเนี่ยทายัางไงนะชลามรณะดับไปได้อย่างไรพูะพุทธเจ้าบอกว่าชลามรณะก็มีความเกิดนะและมีความดับเป็นธรรมดานะนั้นความแก่ความตายเนี่ยสามารถดับไปได้ เราสามารถดับความตายไดนะ้วิธีที่จะดับความตายก็คือมักมีองค์แปดวิธีเดียวผู้เจ้าบอกไม่มีวิธีอื่นนั้นความเห็นใดที่บอกว่า <c oughs> การเข้าถึงความไม่ตายมีโดยวิธีอื่นเนี่ยผู้เจ้าก็จะกัดค้านว่าไม่จริงนะเช่นการไปบูชาไฟบูชาเทพนะการทำพิธีกรรมต่างๆ ท่านบอกมันไม่สามารถเข้าถึงความไม่ตายได้นะการมีอิทธิปฏิหารการกำหนดรู้จิตนะวาระจิตคนนั้นคนนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่จะเข้าถึงความไม่ตายได้อาริยสัจสี่อย่างเดียวเท่านั้นนะที่จะเข้าถึงความไม่ตายเป็นปฏิหารที่มนุษย์มองไม่เคยออกกันว่าเป็นปฏิหารนั่นเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคาเทศสอน พระองค์จึงเรียกคําพูดของพระองค์ว่าอนุสาสนีปฏิหารคําพูดที่ประกอบด้วยปฏิหารซึ่งถูกบัญญัติจากอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพระองค์เดียวพระองค์จึงบอกพระองค์เป็นผู้ที่บัญญัติเรียกปัญญตัตินิรุตติคือภาษาได้อย่างถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดดังนั้นคําที่ประกอบด้วยปฏิหารคือคําที่ถูกบัญญัติเรียงร้อยเป็นภาษาจากอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่จากสาวกไม่ใช่จากใครคนใดคนหนึ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาใหม่นะอันนั้นไม่ใช่คําที่ประกอบด้วยปฏิหารส่วนสาวกนั้นฟังคําที่ประกอบด้วยปฏิหารแล้วเอามาประพฤ ต, ต, ติปฏิบัติตามเดินตามปฏิบัติตามจนสามารถเข้าถึงที่หมายปลายทางได้นะแล้วเวลาจะถ่ายทอดบอกสอนก็ต้องถ่ายทอดบอกสอนในสิ่งที่ตนเองเนี่ยฟังมาได้ยินมาแล้วทําตามอย่างถูกต้องเหมือนกัน คือต้อง Copy คำพระพุทธเจ้าเนี่ยเผยแผ่ไปถ่ายทอดออกไปนี่คือลักษณะการถ่ายทอดที่ถูกต้องตัวเองทํามาอย่างไรปัญจวัคคีย์ทำมาอย่างไรฟังมาอย่างไรปฏิบัติอย่างไรปัญจวัคคีย์ก็ต้องถ่ายทอดไปตามนั้นนะคนที่รับฟังมาจากปัญจวัคคีย์ก็ต้องถ่ายทอดให้ตรงจากที่ปัญจวัคคีย์พูดปัญจวัคคีย์ก็ต้องไม่พูดผิดไปจากพระศาสดาเพราะตัวเองฟังมาจากพระศาสดา ก็ปฏิบัติตามตรงอย่างนั้นนะคนที่รับการถ่ายทอดต่อมาก็ต้องตรงตรงตรงมาเรื่อยๆาศาสนาก็จะไม่ผิดเกี้ยนนะคาสอนก็จะมีหนึ่งเดียวคือคําสอนของอรันตัสมาสัมพุทธเจ้ า, นะ <c oughs> าศาสนาก็จะสามารถแผ่ไปสารไปทั่วโลกได้และเราก็จะสามารถเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างถูกต้องนะนี่ก็เป็นเรื่องของ คำสอนนะ <c oughs> ซึ่งพระองค์เคยบอกกับพระนนท์ว่าน้อยคนนักที่จะเห็นว่าคำพูดคำสอนเนี่ยคือปฏิหาริ์นะพระองค์จึงบอกพวกเราทั้งหลายเนี่ยสาวกทั้งหลายเป็นโอรสอันเกิดจากปากนะปากพระเจ้าเนี่ยพูดคำพูดแล้วเขาฟังนำไปไข้ควรประพฤติปฏิบัติตามแล้วหลุดพ้นได้ ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยด้วยวิธีอื่นนะ <c oughs> คนที่ไม่ <c oughs> ไม่เข้าใจภาษาเนี่ยนะก็จะจะยากต่อการบรรลุ ธ, ธรรมนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าการได้ยินได้ฟังธรรมเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะจะทำให้เราเนี่ยเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมา ซึ่งสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ตลอดเวลาการฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะและสามารถที่จะบรรลุธรรมในขณะที่นั่งฟังธรรมก็สามารถเป็นได้เมื่อมีการคข้ควรตามพิจณาตามมีสาวกหลายคนที่สามารถบรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรมนะ <c oughs> ส่วนปฏิหารต่างนั้นพระศาสดา บ, บอกว่า พระองค์รู้สึกอึดอัดขยะขขยงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งพระสัสดาเราเองเนี่ยรู้สึกอึดอัดขยะขขยงแล้วก็เกลียดชังเพราะนั้นชาวพุทธเราจริงๆไม่มีความจำเป็นต้องไปชื่นชมภูมิความรู้ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆช่วยให้เราพ้นความตายไม่ได้ พระศาสดาก็ทําได้แต่ทําไมพระศัสดาไม่เอาเรื่องพวกนี้นะมาเป็นเรื่องหลักนะในการสอนพระศัสดาทําได้บอกวิธีทําไว้ให้เพื่อให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีขีดจํากัดอย่างไรนะบอกเพื่อความเป็นสัพพัญญูของพระ อ, องคนะ์เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะจุงคนนะให้ออกไปจากทางอริสัต มีมหาชนจะมาฟังธรรมของพระสัสดามาพบกับสาวกสาวกก็ดำดินไปหาพระสัสดาเสร็จแล้วก็บอกมีคนจะมาฟังธรรมพระสัสดาก็บอกอให้ไปจัดอาสนะที่นั่นที่นี่ก็ดำดินกลับมาที่มหาชนแล้วก็บอกว่าให้คอยตรงนี้เดี๋ยวพระสัสดาจะมาแสดงธรรมปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเมื่อเดินมาถึงที่ประทับนั่งไม่มีใครสนใจพระพุทธเจ้า ทุกคนไปสนใจนะสาวกที่ดำดินไดนะ้นั้นเวลาเราเจอที่ปฏิหารต่างๆเนี่ยมันจะดึงจิตของเราไปให้ตื่นเต้นกับเรื่องพวกนี้นะซึ่งจริงๆความรู้พวกนี้ไม่ได้เป็นความรู้ที่จะช่วยให้เราพ้นแก่เจ็บตายได้เลยพนระเจ้ากําหนดจิตรู้แล้วว่ามหาชนเนี่ยไม่ได้ฟังพระองค์ไม่ได้สนใจก็เลยเรียกสาวก ค, คนนี้บอกแสดงฤทธิ์ให้ยิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้ พอสาวกคนนี้แสดงฤทธิ์เต็มที่ออกขึ้นไปนะพ้นความหายตัวแปลงกายทำฤทธิ์ต่างๆจนหมดความสามารถก็หาะ ก, กลับลงมากราบแท่พระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เดินหลีกไปนะมหาชนก็เห็นว่าขนาดแสดงฤทธิ์มีฤทธิ์มากขนาดนี้ก็ยังมาเคารพพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงว่าผู้เจ้าต้องเก่งกว่านะก็เลยเบนความสนใจมาหาผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยค่อยให้ทำมา เพราะไม่งั้นให้ธรรมะไปก็ไม่เข้าอยู่ดีเนะพราะความสนใจเบนไปที่อื่นอย่างนี้ในหลายๆเรื่องนะผู้เจ้าจะตำหนิเรื่องพวกนี้เอาไว้แม้แต่ภาระทวาชาซึ่งเป็นพร ะ, ละหลานมีความสามารถทางลิ์มากเก่งพอๆกับพระโมคลานะเดินไปกับพระโมคลานะแล้วไปปลดบาดข้าศตรีลงจากยอดไม้นะหอกเวียนไปรอบเมืองะะราชคลีสามรอบ ชาวบ้านก็แตกตื่นติดตามพารัทธวชะมาส่งเสียงเกลียวกล่าวกันผู้เจ้านั่งอยู่กับพระนนที่เชตวันบอกว่าเสียงดังเอะอะอะไรกันเหมือนชาวประมงค์แย่งปลากันนะพระนนก็บอกว่าข่าวว่าพารัทธวชะปลดบาดข้าเสรษฐถีลงจากยอดไม้แล้วเหาะเวียนไปสามรอบเมืองราชคลื่พผู้เจ้าก็เลยบอกว่าไปเรียกภารัทธวชะมาเดี๋ยวนี้แล้วก็สั่งประชุมสงฆ์นะ จากนั้นก็เลยสอบถามภารัทธวาช้าว่าได้ข่าวว่าเธอทําอย่างนี้จริงหรือภารัทวาช้าก็บอกจริงพระเจ้าค่านะก็เลยตําหนิภารัทธวาช้าว่าการกระทำของเธอนั้นนะไม่สมควรไม่เป็นไปนเพื่อความเลื่อมใสของชนที่ยังไม่เลื่อมใสตําหนิภารัทวาช้าซึ่งเป็นพระหลานอีกมากมายแล้วก็บัญญัติวินัยบัญญัติขึ้นมาว่าต่อไปภิกษุใ ด, ดแสดงอิทธิปาฏิหารจะต้องอาบัตทุกกฎนะ แล้วก็สั่งให้ทำลายบาดไม้ที่ได้มานั้นนั้นแค่ความต้องการบาดไม้ใบเดียวผู้เจ้าบอกว่าถึงกับต้องแสดงอิทธิปฏิหารเลยหรือสั่งให้ทำลายบาดไม้นั้นเสร็จแล้วก็บัญญัติต่อว่าห้ามภิกษุใช้บาดไม้ลูกใดใช้ต้องอบัติเพราะฉะนั้นณนะวันนี้ภิกษุก็ไม่สามารถใช้บาดไม้ได้เพราะผู้เจ้าบัญญัติไว้ห้ามใช้บาดไม้ อนุญาตบาดสองอย่างคือบาดดินกับบาดเหล็กเอาดินมาปั้นเป็นบาดเป็นกระเบื้องเผานะเพื่อรับอาหารหรือบาดเหล็กนะได้สองอย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าพระศาสดาเราไม่ได้ชื่นชมเรื่องนะนะการดูวาละจิตนะอิทธิปฏิหารต่างๆเพราะคนที่ทําสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมด แก่เจ็บตายแล้วก็ยังไม่พ้นนรกกำเนดเดชานหรือเปรตวิสัยพระศาสดาชื่นชมอริสัตสีเป็นหนทางเพื่อการพ้นจากความตาย <c oughs> อาจารย์ครับวันนี้รู้สึกปรับเพิ่มปิติมากเลยในแง่ของที่อาจารย์เริ่มต้นจากเรื่องของการให้พวกเรานั่งสมาธิ น, นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะได้ทุกเสารเลยครับอาจารย์ก่อ น, ก, อนก่อนที่จะมีการเสวนาธรรม น, นะครับคืออาจารย์นําได้ดีมากเลยคืออาจารย์ก็ก็จะหยอดว่าเออนี่นะระลึลกลวมหายใจไปอย่างนี้อาจารย์ก็จะมีคําพูดมาที่ให้เอาพิจารณาทบทวนได้ตลอดนะครับทีนี้ในแง่ของการเริ่มต้นเมื่อกีอาจารย์แนะนําก็เรื่องของตอนตอนออกจากสมาธินะครับ ในในใ น, ใ น, ในของการที่จะเริ่มสมาธิเนี่ย <c oughs> น, นั่งสมาธิเนี่ยอาจารย์ช่วยเราแนะนําเพิ่มเติมนิดได้ไหมครับอาจารย์ครับเริ่มนั่งก่อนที่จะเริ่มเนี่ยรัอนเริ่มนั่งหรือจะเริ่มนั่งก่อนก็ไม่มีอะไรก็นึกถึงลมหายใจเราได้เลยนะหรือเราอยู่ระหว่างวันเนี่ยถ้าเราต้องการทําสมาธิก็ระลึกถึงลมหายใจเราได้เลยนะอาศัยลมหายใจเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของการระลึกได้ สติคืออาการระลึกได้ระลึกได้กลับมาที่ลหมหายใจหรือยอย่างกรณีที่อาจารย์จะให้ออกจากสมาธิเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์จะบอกว่าเออให้แผ่เมตตานะนะครับให้แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอะไรให้กับครูบาอ า, อ า, อาจารย์ผู้มีพระคุณที่ก่อนก่อนที่จะนั่งเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องมีพิธีอะไรไม่ต้อไม่เรียกว่าพิธีนะอาจารย์<า>จะจ ะ, จะต้องทําอะไรเพิ่มเติมออก่อนไหมครับอยู่ๆนั่งเลยปึ๊กเลยนั่งเลยเดินๆอยู่นึกถึงลมหายใจได้นึกเลยนะ จ้าเมื่อกี้ในระหว่างนั่งอนะครับจ้ามีรูปผู้เจ้าจ่าติดตาผมตลอดเลยนะฮะเนี่ยรูปอันนี้นะครับทีนี้คําถามนะผมผมผมจิตผมก็ปักอยู่ที่ตรงนั้นอาจารย์ถามว่านี้เป็นลักษณะเพ่งหรือเปล่าหรือว่าผมไม่ได้ทําในลักษณะเป็นการระงับกายสังขารหรือเปล่าหรว่าปฏิบัติถูกหรือผิดครับอาจารย์มันเป็นจิตสังขารละจิตปรุงแต่งภาพขึ้นมาอ่ะฮะนั้นต้องละทิ้งไป จะเป็นภาพอะไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องสนใจนะมันจะมาทางภาพทางกลิ่นทางเสียงทางอะไรต่ออะไรยเยอะแยะนะบางคนก็เป็นเหมือนได้ยินเสียงเพลงจากสวรรค์มาบรรเลงแหมเพลอเพลินนะรูปจากลมหายใจล่ะพุทธเจ้าบอกว่ากายยกตาสติ i, อันชนเหล่าใดหลงลืมอมาตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมลมคือกายกายคือลมโยอมลืมลมก็คือลืมนิพพานลืมอมาตะความไม่ตาย นั้นอารมณ์อะไรก็ตามไม่เอาหมดอาจารย์เมื่อกี้ผมมีความรู้สึกผมผมได้ทั้งสองอารมณ์เลยนะครับอาจารย์ก็คือได้ได้ทั้งลมหายใจด้วยแล้วก็ได้ภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยเนมันเกิดดับนั่ยนะแต่มันไม่ทานนั่นน่ะมันไม่คู่กันเลยครับอาจารย์มีความรู้สึกคู่เลยแต่ไม่ทานไม่ทานไม่ทานเลยจิตม่โดนมากบางคนจะคิดว่าคิดไปด้วยรู้ลมหายใจไปด้วยได้พร้อมกันหูมันเกิดดับแล้วนั่นน่ะนั้นจากความเร็วของจิตมันสูงขนาดไหน ผู้เจยังบอกว่าความเร็วของจิตเนี่ยเร็วมากยากที่จะหาอุปมาด้วยซ้ำดูสิผู้เจ้ายังบอกยากขนาดนั้นใช่ไหมเร็วมากมันเร็วจนเห็นเป็นความต่อเนื่องของจิตเนียนสนิทเลยยอมดูว่ามันเร็วขนาดไหนแล้วกันใช่ไหมซึ่งผู้เจ้าบอกเลยว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่อาจรู้เลยว่าจิตเกิดดับเหมือนเวลาจิตมันเคลื่อนไปสู่อารมณ์เนี่ยเรารู้ไหมว่าจิตดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิดไม่รู้เลยก็จะนึกว่ามันไปเฉยๆเนียน เลียดมากเร็วมากมก็เหมือนกับกระแสไฟฟ้าอย่างที่อาจารย์เยเรียนถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอาจารย์ที่บอกว่ารูปเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนเหมือนภพถูกไครับวิญญาณก็คือเหมือนเมกเมล็ดพืดชผมกำลังออไม่ทราบว่าถ้าในแง่ของเวทนาสัญญาสังขารอันนี้ก็ถือเป็นภ พ, พเหมือนกัน <S <S ใช่ไหมครับต้องเหมือนกันหมดทีนี้พอถ้าสมมติผมพิจารณาต่อนะครับอาจารย์พอจิตเนี่ยไปจับอยู่ที่กับเวทนานะครับตอนแรกเวทนาเป็นภพ แต่พอไประยะหนึ่งแล้วเนี่ย uh huh. เวทนาตรงนี้ก็จะน่าจะกลายเป็นมเมล็ดพืชที่โตขึ้นไปเรื่อยๆด้วยหรือเปล่าครัอาจารย์คือตอน<ม>แรกเป็นพบใช่ถ้าโยมผูกติดกับเวทนานั้นไปก็คือชาติ <c oughs> คือมเมล็ดพืชเนี่ยจะงอกขึ้นบนพบนั้นวิญญาณตั้งอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะเข้าไปอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ขณะที่มันเข้าไปตั้งอาศัย เข้าไปรับรู้คือมันมีพบมีที่เกิดและมีที่ให้มันตั้งอยู่จากนั้นพอวิญญาณรู้เวทนานี้ต่อก็คือต้นพืชงอกเมล็ดเนี่ยงอกขึ้นมาเป็นต้นพืชอย่างเงี้ยนั่นก็คือเรากําลังเราเพลินการเป็นพวกเวทนาก็ก็กลายเป็นเมล็ดพืชไปด้วยในตัวเปล่าครับงั้นก็เวทนาเป็นเป็นเหมือนผืนนาที่เมล็ดพืชเนี่ยดูดดูดแร่ธาตุในผืนนานั้นขึ้นมาเป็นต้นให้งอกขึ้นมาจะเรียกว่า วิญญาณเจริญงอกงามไพ่บูรในเวทนานั้นหมายความว่าเวทนานี้ไม่สามารถที่จะเป็นเมล็ดพืชได้ถ้าถ้เป็นอย่างใช่ใช่ผมผมแต่เป็นส่วนหนึ่งในเมล็ดพืชที่เมล็ดพืชเนี่ยดูดซึมแร่ธาตุมันขึ้นมาซึ่งเมล็ดพืชนั้นจะโตเป็นต้นพืชได้จากตัวผืนนานี่แหละซึ่งพระเจ้าจะแบ่งผืนนาเป็น3ระดับอีกนะว่าผืนนาที่เป็นส่วนของมหาพุทธธาตุสี่ ที่เป็นส่วนของรูปธาตุอรูปธาตุนะเพราะฉะนั้นมเมล็ดพืชจะโตมาอย่างไรเนี่ยตัวผิวหน้าเนี่ยมีผลไงแต่เป็นการโตของมเมล็ดพืชเป็นการเจริญงอกองามไภบูุญของวิญ ญ, ญาณขอให้เขาสักคำถามนะครับจะได้ให้คนอื่นถามบ้างครับอาจารย์คือในแรื่องของอรูปธาตุเมื่อสักครู่นะครับการกระทําในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดหรืออาการสาจินยายนัทะนะครับแล้วก็วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด S <S อันนี้ยังยังไม่คอ่อยที่จะเข้าใจเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงว่าในแง่ของการทําว่าตัวเองมีหรือตัวเองไม่มีอันนี้พอจะเข้าใจนะครับหรือว่าสัญญามีหรือสัญญาไม่มีนะครับจริงๆอันนี้เข้าใจแต่พอไปพูดถึงเรื่องของอากาศาตร์ินจจเจตนะหรือว่าวิญญาณจิตใจเจตนาเนี่ยยังไม่ค่อยเคลียร์ป้าอาจารย์ช่วยช่วงนะมีวิธียังไงที่จะการกระทําในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดหรือว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด <S <S ขอบพระคุณครับ ป, <ela> <S <S ป้าอาจารย์มัน <c oughs> มันต้องทําไปได้ถึงจตุจักรชั้นคือชานที่4แล้วมันถึงจะพอประเมินได้นะอย่างถ้าโยมอยู่ปกติโยมก็ประเมินอกุศลได้อ๋ออกุศลเป็นอย่างนี้แล้วเราละอกุศล น, นะจากนั้นโยมเนี่ยจะประเมินสิ่งที่ละเอียดขึ้นไปกว่านั้นได้เช่นเออถ้ามันไม่มีวิตกวิจารณ์จิตมันไม่ปรุงไปปรุงมาจิตมันก็จะนิ่งขึ้นนะมันจะะเอียดขึ้น ในระดับนี้จะประเมินระดับสิ่งที่สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้ทีละขั้นทีละขั้นอย่างนี้นั้นบางทีจตุจารย์นะยังไม่ได้ก็จะประเมิอนอากาสายากเหมือนกันนี่ประเมิอนอากาสาไม่ออกเหมือนคนที่ยังไม่เห็นการเกิดดับของขันทั้ง5้าบ่อยๆก็จะประเมินนิพพานไม่ออกว่านิพพานเป็นอย่างไรแต่ถ้าเห็นการเกิดดับของขันทั้ง5มากขึ้นเนี่ย จิตจะน้อมไปสู่อามตะธาตาุาได้คือจะเริ่มเห็นโอกาสในที่แคบหรือช่องว่างในที่คับแคบนะว่าเอ๊ะมันมีมันมีสภาวะธรรมอันนึงนะที่นิ่งสนิทเลยนะไม่มีการเกิดดับอยู่ตรงเนี้ยจะประเมินไม่ออกนะเว้นแต่ผู้นั้นเนี่ยจะค่อยๆทำไปมากขึ้นมากขึ้นจะเริ่มประเมินได้ชัดขึ้นชัดขึ้นอย่างเงี้ยนะคือผมมีความรู้สึกถ้าเกิด ผมมีวิจิกิจฉาเยอะนะครับคือไม่เข้าใจแล้วผมจะตัดเลยผ ม, มจะเอากลับไปแค่ปฐมวิชานอะไรอย่นมาปฏิบัติแค่ตรงนั้นพอนะแล้วคือย่างเมื่อช้านี้นะครับคำว่าอาการศาร์นะินจาชนะผมก็เลยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดูซึ่งไอ้คำว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดมันกว้างผมกำลังปรุงแต่งไปในลักษณะอย่างนั้นไม่ทราบวันนี้ผิดหรือถูกครับอาจารย์มันมันจะผิดแล้วมันจะเป็นวิตกวิจารวิตกวิจารใช่เห็นไหมซึ่งมันไกลกับอาการศาสตร์มากเลยเราต้องรู้จักวิตกวิจารณ์ต้องระงับวิตกวจาร์ ต้องรู้การปรุงแต่งของจิตหยุดการปรุงแต่งของจิตให้หมดอย่างเงี้ยยังคิดดูสิพอพอจิตยังไม่ได้ละเอียดเฉียดเฉียดอาการสามันจะประเมินอาการสาไม่ออกอย่างเงี้ยจะปร ะ, ประเมินวิญ ญ, ญาณไม่ออกนะเหมือนกับคนทุกวันก็จะคิดว่าความคิดเป็นจิตแต่จริงๆจิตเป็นผู้รู้เฉยเฉยที่ไปรู้ความคิดซ้อนอยู่ในความคิดคิดดูว่ามันละเอียดขนาดไหนในความคิดยังมีผู้รู้เข้าไปรู้ความคิดซึ่งมันคิดไม่ออกเลยคิดไม่ถึงเลย นอกจากคนจะตัดความคิดเรื่อยๆจนชำนาญความคิดเกิดมาปุ๊บตัดตัดตัดจะเริ่มเห็นละเอ๊ะแล้วขณะที่ไม่มีความคิดใครเป็นคนเข้าไปรู้อย่างเงี้ยอ่ามันจะเริ่มเริ่มเห็นขึ้นมาเรื่อยๆ น, นะนั้นมันก็เป็นลำดับท่านของการเห็นเข้าไปคิดแต่แป๊บหนึ่งที่ในแง่ขอตปยาที่ว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนั่นหาความว่าทุกวันเนี่ยจะดับจะับจับ มันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นมันจะหมายถึงวิญญาณเนี่ยมันรู้มันรู้ได้ได้ทุกเรื่องทุกจุดแล้วก็ความรู้มันกว้างไกลเพราะทุกจุดเนี่ยมันมีมันเป็นวิญญาณเต็มทั่วโลกธาตุหมดเกิดดับอยู่ตลอดเวลาครูเจ้าจะอุปมาถ้าอุปมาจะเปรียบเหมือนฟองน้ำเนี่ย ที่เกิดจากเม็ดฝนที่ตกลงบนผิวน้ำแล้วก็เกิดเม็ดฟองเต็มท้องม า, าสมุทรอย่างนี้มากมายมาหาศาลใครนับได้บ้างเยอะมากมหาที่สิ้นสุดไม่ได้ ใครเพิ่มเติมเดี๋ยวไปจัดอาหารนะ <c oughs> าแค่น